กิจวัตรประจำวันของพระเนรกิจวัตรหลักประจำวันของพระเนรก็คือการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเพื่อฝึกฝนสติปัญญาและชำระกิเลสตัวร้อนรุ่มกระวนกระวาย อยู่ภายในจิตใจให้เหือแทงไปดังนั้นโดยปกติพระภิกษุสามเณรในวัดจึงไม่รับกิจนิมนต์ไปฉันในที่ใดๆนอกวัดเพื่อให้มีเวลาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยการบําเพ็ญเพียรภาวนาแต่เพียงอย่างเดียวปัจจุบันปี2541 วัดป่าบ้านตาดมีพระเนนอยู่จำพรรษา47รูปในจำนวนนี้มีภิกษุชาวต่างประเทศ3รูปนอกพรรษามัดมีพระภิกษุสามเณรอาคันตุกะเข้ามาพักชั่วคราวเพื่อศึกษาเทศนาธรรมและข้อวัดปฏิบัติ ในยามเชา้าพระภิกษุผู้มีหน้าที่จะจัดอาสนะหลวงตาด้วยความละเอียดประณีตและเขารักช่วงเช้ามืดก่อนบินทบาทจะเป็นการเตรียมสถานที่สำหรับฉันจังหันโดยทั้งพระและเนนต่างช่วยกันทำความสะอาดจัดอาสนะกระโถนขัดถูพื้นศาลาด้วยกาบมะพร้าวปัดกวาดศาลา และบริเวณ ร, รอบๆอย่างสามัคคีพร้อมเพรียงงานการทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะพยายามทำอย่างแข็งขันมีสติและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเน้นอยู่เสมอตลอดมา พอได้อรุณวันใดที่ท้องฟ้าดูเป็นปกติไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกท่านจะครองจีวรซ้อนสังคาติแล้วออกบินทบาทโดยพร้อมเพรียงกันเดินมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านตาดระยะทางไปกลับประมาณ 3-4 ถึงกิโลเมตรขากลับแววรับบาทจากญาติโยมที่มาจากในเมืองและต่างจังหวัด ในบริเวณหน้าวัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จจากบิณฑบาตพระเนนและครวาสต่างช่วยกันจัดอาหารหวานข่าวเป็นหมวดหมู่ใส่ถาดไว้เพื่อให้ญาติโยม ท, ทั้งที่มาพักปฏิบัติธรรมและที่มาทำบุญตอนเช้า ได้รับประธานหลังพระฉันเสร็จแล้วเมื่อพระเนนจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้หลวงตาจะอนุโมทนาให้พรเสร็จแล้วพระเนนท่านจะพิจารณาอาหารในบาตรก่อนด้วยปฏิสังขายาโยนิโสเสร็จแล้วฉันในบาตรด้วยอาการสำรวมเงียบกริบ เหมือนไม่มีใครรับประทานอาหารอยู่ในบริเวณนั้นเสร็จการฉันเช้าแล้วผู้มาทำบุญเช้าพร้อมใจกันฟังเทศจากหลวงตาหลังฟังเทศเสร็จญาติโยมพากันกลับสำหรับพระเนน ต่างองต่างกลับร้านที่พักปฏิบัติธรรมมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดวันอาจมีการพักผ่อนบ้างแล้วแต่ความอุตสาหะพยายามของแต่ละองค์ช่วงเวลาบ่ายเป็นเวลาที่พระมาร่วมกันฉันน้ำร้อนหรือนา้าปานะที่โรงไฟ หรือโรงต้มน้ำร้อนแค่ช่วงเวลาสั้นๆสักสิบห้าถึงสามสิบนาทีอันเป็นการพักเหนื่อยจากการภาวนาเสร็จจากนี้ก็แยกย้ายเข้าที่ภาวนาต่อจนถึงในช่วงประมาณบ่ายสามโมงพระเนนพร้อมเพียงกันออกมาทำข้อวัดปัดกวาดร้านและบริเวณทางเดิน ตลอดถึงรอบศาลาจากนั้นขัดถูดทําความสะอาดพื้นศาลาเติมน้ำล้างเท้าบริเวณรอบศาลาและในห้องน้ำห้องซ้วมให้เต็ม ดำเนินตามปฏิปทาของหลวงตาหลวงตาท่านรักสิทธิพระเนนิของท่านมากท่านพยายามรักษาสภาพวัดให้เหมาะสมสะดวกต่อการบำเพ็ญเพียรท่านไม่ให้พระเนนิมีการงานอย่างอื่นๆทำอันเป็นการขัดต่อ ง, งานจิตตภาวนา ซึ่งเป็นงานหลักท่านธนุถนอมสิทธิพระเนนไม่ให้มีมนทินไม่ให้ข้องแวะกับคนภายนอกโดยไม่จำเป็นวิทยุไม่ให้ฟังหนังสือถิมไม่ให้อา่านไม่นำไฟฟ้าจากหมู่บ้านเข้าภายในวัดเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงมีไม่ได้ผลดีก็คือทําให้ไม่เป็นข้อกังวลและ เป็นภาระเก็บรักษาหลวงตาท่านสอนเสมอว่าอย่าให้มีวัตถุหรูหรืหร า, ราแต่จิตใจแห้งผาให้หรูหราด้วยคุณธรรมความดีวัตถุสิ่งของพอมีพออาศัยก็พอเพียงแล้วคนเราร่างกายมันไม่ต้องการอะไรมากหรอก แต่หัวใจนี่สิมันไม่รู้จักพอจึงทุกร้อนกันทั่วแผ่นดินเศรษฐีผู้มีมากๆนั่นแหละตัวมหันตทุกข์ถ้ามีธทมในหัวใจบ้างแล้วแม้จะจนอยู่บ้างก็พอเป็นพอไปคนเรามันทุกข์เพราะหัวใจไม่รู้จักพอต่างหากด้วยเหตุนี้ หลวงตาท่านจึงสอนพระเนมเสมอเรื่องความเรียบง่ายมักน้อยสันโดษการใช้สอยจตุประจัยไทยทานที่สถาญาติโยมถวายมานั้นให้ใช้ด้วยความประหยดัดตามเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น ป้ายชื่อหลายท่านที่ตั้งใจจะมากราบหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาอาจจะแปลกใจหากไม่พบป้ายชื่อวัดแต่นั่นก็อาจจะทำให้หลายคนได้นึกคิดจากปริศนาธรรมนี้ว่า กิเลสก็ไม่เห็นมีป้ายชื่อแต่มันสามารถสร้างความทุกข์ภายในใจแก่เราได้บางครั้งจนถึงกับน้ำตาร่วงในทางตรงกันข้ามสติปัญญาที่ใช้ในการถอดถอนกิเลสก็ไม่ได้มีป้ายชื่อหากผู้ใดมีความภาคเพียรจริญสติปัญญาให้สูงขึ้นสูงขึ้นแล้ว ย่อมสามารถก้าวผลจากทุกได้เป็นลำดับลำดับไปเช่นเดียวกันทำให้หลายท่านพอจะรู้ว่าหลวงตาท่านสอนอะไรตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาในวัดนี้ มาธิและเดินจงกรมคัดย่อจากหนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยานะสัมปันโน นั่งสมาธิ 1. น, นั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางมือทั้งสองไว้บนตัก ตั้งกายให้ตรงอย่าให้ก้มหนักเงยหนักอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดาไม่กดหรือเร็งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นการบังคับกายให้ลำบากปล่อยวางอวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมสม ระลึกพุทโธธรรมโมสังโฆสามครั้งอันเป็นองค์พระรัตนตรัยก่อน 4. นึกคำบริกรรมภาวนาโดยกำหนดเอาเพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความมีสติเช่นพุทโธ พุโทโธพุโทโธเป็นต้นให้นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธสืบเนื่องกันไปด้วยความมีสติและพยายามทำความรู้สึกตัวอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทพโธอย่าให้จิตเผลอตัว ไปสู่อารมณ์อื่นระหว่างจิตสติกับคำบริกรรมมีความกลมกลืนกันได้เพียงไรยิ่งเป็นความมุ่งหมายของการภาวนาเพียงนั้นผลคือความสงบเย็นใจจะพึงเกิดขึ้น การเดินจงกรมหนึ่งพึงกำหนดทางจงกรมที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไรความยาวยี่สิบห้าถึงสาเป็นความเหมาะสมทั่วไปพึงดูว่า เราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่โน้นสำหรับทิศทางที่ท่านนิยมปฏิบัติมามีสามทิศคือตรงตามแนวตะวันออกตะวันตกหนึ่งตามแนวตะวันออกเีิงใต้หนึ่ง แนวตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งจากนั้นตกแต่งทางจงกรมให้เรียบร้อยก่อนเดิน 2. ผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรมและพึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิว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 ทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธรำพึงเจริญพรมวิหารสี่จบแล้วทอดตาลงเบื้องต่ำท่าสำรวมสามตั้งสติกำหนดจิตและทรรมที่เคยนำมาบริกรรมกำกับใจพุทโธ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 ไม่ส่งจิตไปอื่นจากงานที่กําลังทําอยู่ในเวลานั้นสขณะเดินจงกรมพึงกําหนดสติกับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกัน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 พึงสำรวมการเดินไม่พึงเดินไายแขนไม่เอามือขัดหลังหรือกอดอกไม่เดินมองโน้นมองนี่อันเป็นท่าไม่สำรวม